สังกเพะทะขันตกะหนึ่งปถมพานวาระชะัคกยะปะพัพชาคถาว่าด้วยการบรรพชาของเจ้าสักยะหกองสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอนุปยนิคมของพวกมระกษัตย์ครั้งนั้นพวกสักยะกุมาที่มีชื่อเสียงออกบวชตามพระผู้มีพระภาคผู้ทรงผนวแล้วสมัยนั้น เจ้ามหานามสากยะและเจ้าอนุรุทธะสากยะทั้งสองเป็นพี่น้องกันเจ้าอนุรุทธะสากยะเป็นกษัตริย์ผู้สุขุมารชาตมีประสาทสามหลังคือประสาทสำหรับอยู่ในฤดูหนาวหนึ่งหลังประสาทสำหรับอยู่ในฤดูร้อนหนึ่งหลังประสาทสำหรับอยู่ในฤดูฝนหนึ่งหลังเจ้าอนุรุทธะสากยะนั้นได้รับการบำรุงบำรเรอด้วยดนตรีที่มีเหล่าสตรีล้วน ขับกล่อมตลอดสีเดือนในประสาทฤดูฝนไม่ลงมาที่ประสาทชั้นล่างเลยต่อมาเจ้ามหานามสาสักยะได้ทรงดำริดังนี้ว่าเวลานี้พวกสักยะกุ ม, มารที่มีชื่อเสียงต่างออกบวชตามเสด็จพระผู้มีพระภาคผู้ทรงผนวดแล้วแต่ตระกูลของเรายังไม่มีใครออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตถ้าไครเราหรืออนุรุทธะควรบวช ลำดับนั้นเจ้ามหานามะศักยะเข้าไปหาเจ้าอนุรุทธะสักยะถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้ตรัสกับเจ้าอนุรุทธะสักยะดังนี้ว่าเวลานี้พวกสากยะกุมารที่มีชื่อเสียงต่างออกบวชตามพระผู้มีพระภาคผู้ทรงผนวดแล้วแต่ตระกูลของเรายังไม่มีใครออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเลยน้องจงบวชหรือว่าพี่จะบวช ้าอนุรุทธะาสาักยะทูลว่ามอมฉันเป็นสุขุมมารชาติไม่สามารถออกบวชได้เจ้าพี่จงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดเจ้ามหานามะสากยะตรัสว่าดีแล้วน้องอนุรุทธะพี่จะสั่งสอนวิธีการครองเรือนแก่เธอเพื่อจะได้ครองเรือนต่อไปอันดับแรกผู้ครองเรือนต้องให้ไถนาครั้นแล้วให้หวานข้าวครั้นแล้วให้ไข้น้ำข้าว คลันแล้วให้ระบายน้ำ jsem, นออกคลันแล้วให้ถอนหญ้าคลันแล้วให้เกี่ยวข้าวคลันแล้วให้ขนข้าวคลันแล้วให้ตั้งลอมคลันแล้วให้นวดคลันแล้วให้สางฟางออกคลันแล้วฝัดข้าวรีบออกคลันแล้วฝัดละอองออกคลันแล้วให้ขนเก็บในฉางคลันพอถึงฤดูฝนก็ต้องทำอย่างนี้ต่อเรื่อยไป เจ้าอนุรุทธะสักยะทูลถามว่าการงานไม่มีที่จบสิ้นที่สุดของการทำงานไม่ปรากฏการงานจะสิ้นไปเมื่อไหร่ที่สุดของการงานจะปรากฏเมื่อไหร่เมื่อไหร่เล่าที่พวกเราจะว่างจากการงานเพีย่พร้อมสมบูรณ์ด้วยการมาขุนห้าบำรุงบำรเร อ, อยู่เจ้ามาหานามสากยะตรัสตอบว่าน้องอนุรุทธะการงานไม่มีที่จบสิ้น ที่สุดของการงานไม่ปรากฏในเมื่อการงานยังไม่จบสิ้นมารดาบิดาปู่ย่าตายายก็พากันตายจากไปเจ้าอนุรุทธะสากยะทูลว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าพี่จงเรียนรู้ถึงวิธีครองเรือนจะดีกวา่าหม่อมฉันจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากนั้นเจ้าอนุรุทธะสากยะเข้าไปเฝ้าพระมารดาถึงที่ประทับ ครั้นถึงแล้วเรียกราบทูลพระมารดาดังนี้ว่าสเสด็จแม่มอมฉันอยากจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตสเสด็จแม่โปรดอนุญาตให้มอมฉันออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดเมื่อเจ้าอนุรุทธะสากยะกราบทูลอย่างนี้พระมารดาตรัสตอบเจ้าอนุรุทธะสากยะดังนี้ว่าลูกอนุรุทธะพวกเธอเป็นลูกสองคนเป็นที่รักที่ชอบใจของแม่เหลือเกินถึงพวกเธอจะตายไป แม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากแล้วเหตุไฉนแม่จะยอมให้พวกเธอผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตเล่าแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สเจ้าอนุรุทธะสักยะก็กราบทูลพระมารดาดังนี้ว่าสเสด็จแม่หมอมฉันอยากจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตสเสด็จแม่โปรดอนุญาตให้หม่อมฉันออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิด เร graduate, ื่องพระเจ้าพัทยาสักยะสมัยนั้นพระเจ้าพัทยาสักยะครองราชสมบัติของชาวสากยะวงศ์พระองค์ทรงเป็นพระสหายของเจ้าอนุรุทธะสักยะครั้งนั้นพระมารดาของเจ้าอนุรุทธะสักยะทรงดาริว่าพระเจ้าพัทยสากยะนี้ครองราชสมบัติของชาวสักยะวงศ์ทรงเป็นพระสหายของลูกอนุรุทธะ พระองค์จะไม่สามารถเสด็จออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแน่จึงตรัสกับเจ้าอนุรุทธะสักยะดังนี้ว่าลูกอนุรุทธะถ้าพระเจ้าภัทธิยะสากยะจะเสด็จออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยลูกก็จงบวชเถิดต่อมาเจ้าอนุรุทธะสากยะจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพัทธิยะสากยะถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ทูลพระเจ้าพัทธิยะสากยะดังนี้ว่า เพื่อนรักการบวชของเราเกี่ยวเนื่องกับท่านพระเจ้าพัทธยสักยะตรัสว่าเพื่อนรักการบวชของท่านจะเกี่ยวเนื่องกับเราหรือไม่เกี่ยวเนื่องกับเราก็ช่างเถิดเรากับท่านท่านจงบวชตามสบายเถิดเจ้านุรุทธาสากยะทูลว่ามาเถิดเพื่อนรักเราทั้งสองจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยกันพระเจ้าพัทธยสักยะตรัสว่าเพื่อนรัก เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยไม่ได้เพื่อนบวกคนเดียวเถิดเรายินดีช่วยเหลือเรื่องที่อาจช่วยได้เจ้าอนุรุท ธ, ธาสากยะทูลว่าพระมารดาของเรารับสั่งว่าลูกอนุรุทธถ้าพระเจ้าภัทยาสากยะจะเสด็จออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยลูกก็จงบวชเถิดก็เพื่อนได้กล่าววาจานี้ว่าการบวชของท่านจะเกี่ยวเนื่องกับเราหรือไม่เกี่ยวเนื่องกับเราก็ช่างเถิด เรากับท่านท่านไปบวชตามสบายเถิดมาเถิดเพื่อนรักเราทั้งสองจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยกันสมัยนั้นประชาชนผู้จริงทำจริงพระเจ้าพัทยสากยะตรัสกับอนุรุตธาสากยะดังนี้ว่าเพื่อนรักท่านโปรดรออยู่สักเจ็ดปีเถิดพอพ้นเจ็ดปีเราทั้งสองจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยกัน เจ้านุรุทธะสักยะทูลว่าเจ็ดปีนานเกินไปเราไม่สามารถจะรอถึงเจ็ดปีได้พระเจ้าพัิยะาสาักยะตรัสว่าเพื่อนรักโปรดรอสักหกปีห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปีเมื่อล่วงหนึ่งปีเราทั้งสองจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยกันเจ้านุรุทธะาสาักยะทูลว่าหนึ่งปีก็ยังนานเกินไป เราไม่สามารถรอถึงหนึ่งปีได้พระเจ้าพัทยสากยะตรัสว่าเพื่อนรักท่านโปรดรอสักเจดเดือนพอพ้นเจ็ดเดือนเราทั้งสองจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยกันเจ้าอนุรุทธะาสาักยะทูลว่าเจ็ดเดือนก็ยังนานเกินไปเราไม่สามารถรอถึงเจดเดือนได้พระเจ้าพัทยสากยะตรัสว่าเพื่อนรักท่านโปรดรอสักหกเดือนห้าเดือน สี่เดือนสามเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนครึ่งเดือนพอพ้นครึ่งเดือนเราทั้งสองจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยกันเจ้านุรุทธะสากยะทูลว่าครึ่งเดือนก็ยังนานเกินไปเราไม่สามารถรอถึงครึ่งเดือนได้พระเจ้าพัทยาสากยะตรัสว่าเพื่อนรักท่านโปรดรอสักเจ็วันเถิด พอให้เราได้มอบราชสมบัติแก่พวกลูกๆและญาติพี่น้องเจ้าอนุรุทธะสักยะทูลว่าเพื่อนรักเจ็ดวันไม่นานเกินไปเราจะรอเรื่องเจ้าสักยะทรงผนวดครั้งนั้นพระเจ้าพัทยสาสักยะเจ้าอนุรุทธะเจ้าอานน์เจ้าภคุเจ้ากิมพิละและเจ้าเทวทัตกับอุบาลีซึ่งเป็นช่างกระบกรวมเป็นเจ็ดคน เสด็จออกพร้อมด้วยเสยนาสีเหล่าเหมือนเสด็จประพาสราชอุทยานพร้อมเสนาสีเหล่าในครั้งก่อนทั้งหพระองค์นั้นเสด็จไปห่างไกลแล้วรับสั่งให้เสนากลับเข้าพรมแดนของเจ้าเมืองอื่นทรงเปลื้องเครื่องประดับเอาผ้าห่อแล้วได้ตรัสกับอุบาลีช่างกระรบดังนี้ว่าอุบาลีเชิญท่านกลบกับเถิดทรัพเหล่านี้พอเลี้ยงชีพได้ขณะเมื่ออุบาลีช่างกระรบด จะกลับได้มีความคิดดังนี้ว่าพวกเจ้าสัพยะทั้งหลายโหดร้ายนักจะพึงให้ข่าเราด้วยเข้าพระทัยไปว่าอุบาลีนี้ให้พระกุมารทั้งหลายหนีไปก็พระสัพยกุมารเหล่านี้ยังออกจากรือนทรงผนวชเป็นบรรพชิตได้ฉนันเราจะบวชบ้างไม่ได้อุบาลีแช่างกระบอกนั้นจึงแก้ห่อเครื่องประดับแล้วแขวนสิ่งของไว้บนต้นไม้แล้วกล่าวว่า ผู พ, พบเห็นจงนาเสียงของที่เราให้แล้วไปเถิดแล้วเข้าไปเฝ้าสกากยกุมารเหล่านั้นถึงที่ประทับสกากยกุมาลเหล่านั้นได้ทอดพระเนตรเห็นอุบาลีกำลังเดินมาแต่ไกลครั้นแล้วได้รับสั่งอุบาลีช่างกระระบกดังนี้ว่านี่อุบาลีท่านกลับมาทาไมอุบาลีช่างกระระบกจึงกราบทูลว่าพระลูกเจ้าทั้งหลายเมื่อมอมฉันกำลังกลับได้มีความคิดดังนี้ว่า พวกเจ้าสักยะทั้งหลายโหดร้ายนักจะพึงให้ฆ่าเราเรื่อเข้าพระไทยไปว่าอุบาลีนี้ให้พระกุมารทั้งหลายหนีไปก็พระสักยะกุมารเหล่านี้ยังออกจากเรือนทรงผนวดเป็นบรรพชิตได้ฉนัยเราจะบวชบ้างไม่ได้ข่าแต่พระลูกเจ้าหมอมฉันนั้นแก้ห่อเครื่องประดับแล้วแขวนสิ่งของไว้บนต้นไม้แล้วกล่าวว่าผู้พบเห็นจงนาสิ่งของที่เราให้แล้วไปเถิด หลับจากที่นั้นแล้วศักยะกุมารทั้งหลายตรัสว่าท่านทําดีแล้วที่ไม่ได้กลับไปเจ้าศักยะทั้งหลายผู้โหดร้ายจะพึงให้ฆ่าท่านเดี๋ยเข้าใจว่าอุบาลีนี้ให้กุมารทั้งหลายหนีไปต่อมาสัากยะกุมารทั้งหลายพาอุบาลีผู้เป็นช่างกระระบบเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่สมควร เจ้าสักยะทั้งหลายผู้ประทับนั่งหน้าที่สมควรแล้วเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าพวกมอมฉันเป็นเจ้าสักยะยังมีความถือตัวอุบาลีผู้นี้เป็นช่าง ก, บกรบบบบบบบบบบบบบบบบบพบบบบบบบบบาบน า, า, านบบบบบบบบบบบบปบบบบบเบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบพบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ ความถือตัวว่าเป็นสักยะของพวกหม่อมฉันจากบรรเทาไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคจึงโปรดให้อุบาลีผู้เป็นช่างการบกบวชก่อนแล้วให้สักยะกุ ม, มารบวชภายหลังต่อมาในระหว่างพรรษา น, นั่นเองท่านพระพัติยะได้บรรลุวิชาสามท่านพระอนุรุทธะได้บรรลุทิพยจักสุท่านพระอน์นได้บรรลุโสดาปติผนพระเทวทัตได้ฤชั้นปุุชน เรื่องพระพัทิยะเปล่งอุทานว่าสุขหนอสมัยนั้นท่านพระพัทิยะจะไปในป่าก็ดีจะไปที่ควงไม้ก็ดีจะไปในสุนยาคารก็ดีย่อมเปล่งอุทานเนืองเนืองว่าสุขหนอสุขหนอครั้งนั้นภิกษุหลายรูปก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วอาพิว่าพระผู้มีพระภาคนั่งหน้าที่สมควร ภิกษุเหล่านั้นผู้นั่งณที่สมควรแล้วเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระพัตติยะไม่ว่าจะไปในป่าก็ดีจะไปที่ควงไม้ก็ดีจะไปในเรือนว่างก็ดีก็เปล่งอุทานเนึองๆว่าสุขหนอสุขหนอท่านพระพัตติยะไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์แน่ๆหรือคงหวนระลึกถึงสุขในราชสมบัติครั้งก่อนไม่ว่าจะไปในป่าก็ดีจะไปที่ควงไม้ก็ดี จะไปในศุนยาคานก็ดีจึงเปล่งอุทานอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุรูปหนึ่งว่าภิกษุเธอจงไปบอกพัทธิยะว่าพระาศาสดารับสั่งหาท่านภิกษุนั้นทูลรับสนองพระพุทธดํารัตแล้วเข้าไปหาท่านพระพัทธิยะถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วเดียกกล่าวกับท่านพระพัทธิยะดังนี้ว่าพระาศาสดารับสั่งหาท่าน ท่านพระพัติยะรับคำภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระพัติยะผู้นั่งแล้วณัที่สมควรดังนี้ว่าพัติยะทราบว่าเธอไม่ว่าจะไปในป่าก็ดีจะไปที่ควงไม้ก็ดีจะไปในสุนยาคานก็ดี ก็เปล่งอุทานห น, นึ่งๆว่าสุขหนอสุขหนอจริงหรือท่านพระพัทยะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพทัทยะเธอเห็นประโยชน์อะไรไม่ว่าจะไปในป่า ก, ก็ดีจะไปที่ควงไม้ก็ดีจะไปในสุนยาคานก็ดีจึงเปล่งอุทานห น, นึ่งๆว่าสุขหนอสุขหนอท่านพระพัทยากราบทูลว่า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 ดุดมึกข้าพระพุทธเจ้าเห็นประโยชน์อย่างนี้ไม่ว่าจะไปในป่า ก, ก็ดีจะไปที่ควงไม้ก็ดีจะไปในสุนยาคารก็ดีจึงมักจะเปล่งอุทา น, นเนืองๆว่าสุขหนอสุขหน อ, หนอพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าผู้ใดไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กิเริอภายในจิต และล่วงพ้นความเป็นภพและภพต่างๆได้แล้วถวยเทพไม่สามารถมองเห็นผู้นั้นผู้ปราศจากภัยมีความสุขไม่เศร้าโศกเทวทัตตะวัตุว่าด้วยเรื่องของพระเทวทัต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 พระเทวทัตเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวรจาริกไปทางกรุงราชครึ่จนถึงกรุงราชครึ่โดยลําดับครั้งนั้นพระเทวทัตได้แปลงเพศเนรมิตนเป็นกุมาร น, น้อยอางูพันเอวปรากฏบนพระเพลาตักของอาชาตสตรูกุมารครั้งนั้นอาชาตสตรูกุมารทรงกลัวหวาดวันสะดุง้งตกพระไทยพระเทวทัตจึงได้ถามดังนี้ว่า ภูมานท่านกลัวฉันหรือพระกุมารตรัสว่าใช่เรากลัวท่านเป็นใครพระเทวทัตตอบว่าฉันคือพระเทวทัตพระกุมารตรัสว่าถ้าท่านเป็นพระคุณเจ้าเทวทัตก็กลับเป็นตามเพศเดิมเถิดครั้งนั้นพระเทวทัตเปลี่ยนเพศกุมาร น, น้อยกลับเป็นภิกษุทรงสังฆาติบาศและจีวรยืนอยู่ข้างหน้าพระกุมารลำดับนั้น พระกุ ม, มารเลื่อมสายยิ่งนักเพราะอิทธิปาติหานี้ได้เสด็จไปที่อุปถากทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าพร้อมด้วยราชรถห้าร้อยคันได้นำพัตถาห้าร้อยสำรับไปด้วยต่อมาพระเทวทัต ถ, ถูกลาบสักระและความสรรสญครอบงำเกิดความต้องการดังนี้ว่าเราจะปกครองภิกษุสงฆ์พระเทวทัตจึงเสื่อมจากฤทธิ์พร้อมกับเกิดความคิดเช่นนี้ เรื่องกกุทะโกริยะบุตรสมัยนั้นพระเจ้าโกริยะนามว่ากกุทะเป็นอุปถาของท่านพระมหาโมคลานะสิ้นชีพิตักสายได้ไม่นานเข้าถึงชั้นกายามโนใหม่ชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นผู้ได้อัตภาพใหญ่เหมือนคามาเขตในแคว้นมคต2สถึงหมู่แต่เขาก็ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเพราะการได้อัตภาพนั้นครั้งนั้นกกุทะเทพบุตร ได้เข้าไปหาท่านพระมหาโมคลานะถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วไหว้ท่านพระมหาโมคลานะแล้วยืนอยู่ณที่สมควรกกุฏเทพบุตรผู้ยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระมหาโมคลานะดังนี้ว่าท่านผู้เจริญพระเทวทัตถูกลาบสักการะและความสรรเสริญครอบงำเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราจะปกครองภิกษุสงฆ์ท่านผู้เจริญ พร้อมกับจิตุบาทพระเทวทัตจึงเสื่อมจากฤทธิ์กกุทะเทพบุะบุครั้นกล่าวดังนี้แล้วได้ไว่ายท่านพระมหาโมคลานะกระทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นเองลำดับนั้นพระมหาโมคคลานะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วทวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคนั่งณที่สมควรท่านพระมหาโมคคลานะผู้นั่งณที่สมควรแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าค่าบุตรของเจ้าโกริยะนามว่ากากุทะเป็นอุปถาของข้าพระองค์สิ้นชีพิตกสัยได้ไม่นานเข้าถึงชั้นกายามโนมหม่ชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นผู้ได้อันตภาพใหญ่เหมือนคามาเขตของควนมคตสองถึงสหมู่แต่เขาไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเพราะการได้อันตภาพนั้นต่อมา กกุท่าเทพบุตเข้าไปหาค่าพระองค์ถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนณนที่สมควรได้กล่าวกับข่าพระองค์ดังนี้ว่าท่านผู้เจริญพระเทวทัตถูกลาบจักระและความสรเสนครอบงำเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราจะปกครองภิกษุสงฆ์พร้อมกับจิตุบาทพระเทวทัตจึงเสื่อมจจกฤทธิ์พระพุทธเจ้าข่ากกุทเทพปบุตนั้นครั้นกล่าวดังนี้แล้ว ว่าฆ้าพระองค์กระทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นเองพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโมคลานะเธอกําหนดรู้จิต ข, ของกกุเทเถพระบุตรแล้วหรือว่ากกุเทเถพระบุตรกล่าวเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นทั้งหมดย่อมเป็นจริงตามนั้นไม่เป็นอย่างอื่นท่านพระมหาโมคคลานะกราบทูลว่าข้าพระองค์กําหนดรู้จิต ข, ของกกุเทเถพระบุตรด้วยจิตแล้วเชื่อว่า ก, กุกทาเทพบุตรุกล่าวเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นทั้งหมดย่อมเป็นจริงตามนั้นไม่เป็นอย่างอื่นพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคลานะเธอจงรักษาวาจานั้นโมคลานะเธอจงรักษาวาจานั้นบัดนี้โมคุรุษนั้นจะเปิดเผยตนด้วยตนเองออกมาปัญจะสัตถ์กถาว่าด้วยพระศาสดาห้าจำพวก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 แต่ถ้าพวกเราพึงบอกแก่ผู้กระหัตก็จะไม่เป็นที่พอใจของท่านพวกเราจะกล่าวถ้อยคำที่ท่านไม่พอใจได้อย่างไรอันหนึ่งศาสดานั้นยกย่องพวกเราด้วยจีวรบินทบาตเสนาสนะและคีลานะปั จ, จัยเพศปบระคารท่านทำกรรมใดไว้ก็จะประกากฏตัวออกมาด้วยกรรมนั้นโมคลานะพวกสาวกย่อมรักษาศาสดาเช่นนี้โดยศีล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 ผ่องแผ้วไม่เศร้ามองแต่ถ้าพวกเราพึงบอกกับพวกขรรหัดก็จะไม่เป็นที่พอใจของท่านพวกเราจะกล่าวถ้อยคําที่ท่านไม่พอใจได้อย่างไรอนหนึ่งศาสดานั้นยกย่องพวกเราด้วยจีวรบินทบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศบรุขานท่านทํากรรมใดไว้ก็จะปรากฏตัวออกมาด้วยกรรมนั้นโมคลานะ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 เราเป็นผู้มีไวยากรณะบริสุทธิ์ไวยากรณะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองพวกสาวกรู้จักเขาอย่างนี้ว่าศาสดาท่านนี้เป็นผู้มีวยาการณะไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญา genius, ว่าเราเป็นผู้มีไวยากรณะบริสุทธิ์ไวยากรณะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองแต่ถ้าพวกเราจะพึงบอกกับผู้กระหัตก็จะไม่เป็นที่พอใจของท่าน พวกเราจะกล่าวถ้อยคำที่ท่านไม่พอใจได้อย่างไรอันหนึ่งศาสดานั้นยกย่องพวกเราด้วยจีวอนบินบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศปริขารท่านทำกรรมใดไว้ก็จะปรากฏโตออกมาด้วยกรรมนั้นโมคลานะพวกสาวกย่อมรักษาศาสดาเช่นนี้ไว้โดยวยากรณะ ศาสดาเช่นนี้ก็หวังการรักษาโดยวยากรณะจากพวกสาวก 5. ศาสดาบางท่านในโลกนี้มียานทัศนะไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีญานทัศนะบริสุทธิ์ยาณทัศนะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองสาวกรู้จักเขาอย่างนี้ว่าศาสดาท่านนี้เป็นผู้มีญานทัศนะไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่า เราเป็นผู้มียานทัศนะบริสุทธิ์ยานทัศนะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองแต่ถ้าพวกเราพึงบอกแก่พวกครหัตก็จะไม่เป็นที่พอใจของท่านพวกเราจะกล่าวถ้อยคำที่ท่านไม่พอใจได้อย่างไรอันหนึ่งาศาสดานั้นยกย่องพวกเราด้วยจีวรบินทบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพศปริขารท่านทำกรรมใดไว กจะปรากฏตัวออกมาด้วยกรรมนั้นโมกคลานะพวกสาวกย่อมรักษาศาสดาเช่นนี้ไว้โดยยานทัศนะและศาสดาเช่นนี้ก็หวังการรักษาโดยยานทัศนะจากพวกสาวกโมกคลานะศาสดาห้าจำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกโมกคลานะเรามีศีลบริสุทธิ์จึงปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ ศีลของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ่ไม่เศร้าหมองพวกสาวกย่อมไม่รักษาเราโดยศีลและเราก็ไม่หวังการรักษาโดยศีลจากพวกสาวกโมคลานะเรามีอาชีพบริสุทธิ์เรามีธรรมเทศนาบริสุทธิ์เรามีเวยากรณะบริสุทธิ์เร า, ามียาณทัศนะบริสุทธิ์จึงปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีญานทัศนะบริสุทธิ์ญานทัศนะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ่ไม่เศร้าหมอง พวกสาวกย่อมไม่รักษาเราไว้โดยยานทัศนะและเราก็ไม่หวังการรักษาโดยยานทัศนะจากพวกสาวกเรื่องลาบสักระย่อมฆ่าคนชั่วพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงโกลสัมผีตามพระอธิยศาศัยแล้วเสด็จเจ้เรืกไปโดยลำดับจนถึงกรุงราชครึกทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลวัน สถานที่ให้เหยื่อกระแตในกรงราชครื่อนั้นครั้งนั้นภิกษุจํานวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้วถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่สมควรภิกษุเหล่านั้นผู้นั่งหน้าที่สมควรเรียกราบโทลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาชาตสตรูกุมารเสด็จโดยราชรถห้าร้ยคันไปบํารงพระเทวทัต ทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและรับสั่งให้นําพัฒหารที่สมควรไปพระราชทานห้าร้อยสำรับพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่ายินดีลาบสักการะและความสรรเสริญของเทวทัตเลยแม้อาชาตศัตรูกุมารจากเสด็จโดยราชรถห้าร้อยคันไปบํารงเทวทัตทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและจกรับสั่งให้นําพัฒหารที่สมควร ไปพระราชทานห้0สำรับเพียงใดเทวทัตก็พึงหวังความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเพียงนั้นหวังความเจริญไม่ได้ภิกษุทั้งหลายอาชาติสตรูกุมารจะไปบำ ร, รงพระเทวทัตในเวลาเย็นเวลาเช้าพร้อมด้วยราชรถห้าร้อยคันจะนำพัตฐาห้าร้อ0สำรับไปได้สักสี่วันภิกษุทั้งหลายความเสื่อมจากกุศลธรรมเป็นอันเทวทัตหวังได้ ความเจริญอย่าได้หว e ังลาบสักระและความสรรเสริญเกิดขึ้นแก่เทวทัตก็เพื่อฆ่าตนเองลาบสักระและการสรรเสริญเกิดขึ้นแก่เทวทัตเพื่อความเส่อมเหมือนคนเอาดีหมีทาที่จมูกลูกสุนัขดุลูกสุนักก็จะเพิ่มความดุยิ่งขึ้นภิสษุทั้งหลายลาบสักระและการสรรเสริญเกิดขึ้นแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเองลาบสักระและการสรรเสริญ เกิดขึ้นแก่เทวทัศน์เพื่อความเสื่อมเหมือนต้นกล้วยออกปลีเพื่อฆ่าตนเองออกปลีเพื่อความเสื่อมภิกษุทั้งหลายลาบสักระและการสรรเสริญเกิดขึ้นแก่เทวทัศน์เพื่อฆ่าตนเองลาบสักระและการสรรเสริญเกิดขึ้นแก่เทวทัศน์เพื่อความเสื่อมเหมือนต้นไผ่ตกขุยเพื่อฆ่าตนเองตกขุยเพื่อความเสื่อมภิกษุทั้งหลายลาบสักระและการสรรเสริญ เกิดขึ้นแก่เทวทัศน์เพื่อฆ่าตนเองลาบสักระและการสรรเสริญเกิดขึ้นแก่เทวทัศน์เพื่อความเสื่อมเหมือนต้นอ้อตกขุยเพื่อฆ่าตนเองตกขุยเพื่อความเสื่อมภิกษุทั้งหลายลาบสักระและการสรรเสริญเกิดขึ้นแก่เทวทัศน์เพื่อฆ่าตนเองลาบสักระและความสรรเสริญเกิดขึ้นแก่เทวทัศน์เพื่อความเสื่อมเหมือนแม่ม้าอัสดรตั้งครันเพื่อฆ่าตนเอง ตั้งคันเพื่อความเสื่อมพระผู้มีพระภาคครั้นตรัส ด, ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคถาประพันธ์ว่าผลกล้วยฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ดอกอ้อฆ่าต้นอ้อลูกม้าอัสดรฆ่าแม่ม้าฉันใดสักระย่อมฆ่าคนชั่วฉันนั้นปฐมพานวาระจบ ติยภานวาระประกาศนิยกรรมะว่าด้วยสงธรรมประกาศนิยกรรมแก่พระเทวทัตสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคแวดล้อมด้วยบริษัทหมูใหญ่ประทับนั่งแสดงธรรมแก่บ ร, ริษัทซึ่งมีพระราชาประทับอยู่ด้วยครั้งนั้นพระเทวทัตลุกจากอาสนะโมอุตราสงเฉวียงบากข้างหนึ่งประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาค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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยเทวทัตเธออย่าชอบใจที่จะปกครองภิกษุสงฆ์เลยแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระเทวทัตก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข่าเวลานี้พระผู้มีพระภาคทรงพระชราภาพเป็นผู้เท่าสูงอายุล่วงการผ่านไวัไปโดยลำดับแล้วพระพุทธเจ้าข่าบัดนี้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 พระเทวทัตคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงรุกรานเราท่ามกลางบริษัทที่มีพระราชาประทับอยู่ด้วยด้วยพระดํารัสว่าเป็นผู้บริโภคปัจจัยดึกเลือน้ำลายทรงยกย่องแต่พระสารีบุตรและพระโมคลานะจึงโกรธไม่พอใจถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วทำประทักษิณจากไปนี้เป็นการผูกอาฆาตครั้งแรกในพระผู้มีพระภาคของพระเทวทัต ประกาศนิยกรรมต่อมาพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงฆ์จงทำประกาศนิยกรรมในกรุงราชคลึแก่เทวทัตโดยประกาศว่าเมื่อก่อนพฤติกรรมของพระเทวทัตเป็นอย่างหนึ่งเวลานี้เป็นอีกอย่างหนึ่งพระเทวทัตประพฤติสิ่งใดด้ดื่อกายวาจาไม่พึงเห็นว่าพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้น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 ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ลําดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรถ้าอย่างนั้นเธอจงทําประกาศนิยกรรมในกรุงราชคลแกรเทวทัตเิดพระสารีบุตรกราบทูลว่าเมื่อก่อนข้าพระพุทธเจ้ากล่าวยกย่องพระเทวทัตในกรุงราชคลึว่าโคติบุตรมีฤทธิ์มากโคติบุตรมีอนุภาพมาก ข้าพระพุทธเจ้าจะทําประกาสนิยกรรมในกรุงราชคลึแก่พระเทวทัตอย่างไรพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเธอกล่าวยกย่องเทวทัตตามความเป็นจริงไม่ใช่หรือว่าโคทิบุตรมีฤทธิ์มากโคทิบุตรมีอนุภาพมากท่านพระสารีบุตรกราบโทลว่าจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตร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 เวลานี้เป็นอีกอย่างหนึ่งพระเทวทัตพระพุทธสิ่งใดด้วยกายวาจาไม่พึงเห็นว่าพระพุทธรธรรมหรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นพึงเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของพระเทวทัตวิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายทรงพึงแต่งตั้งอย่างนี้เบื้องต้นพึงขอร้องพระสารีบุตรครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถ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 ริศยาลาบสักระของพระเทวทัตส่วนพวกที่มีศรัทธามีความเลื่อมใสมีความรู้ดีก็กล่าวอย่างนี้ว่าเรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ทำประกาเสนกรรมในกรุงราชฤกษ์แก่พระเทวทัต